ฮัลโหลครับผมสวัสดีครับครับผมกับผากําลังพูดครับกับอ๋อถามเรื่องผลิตภัณฑ์ดูแลเรื่องของมมรุกมะเร็งเหรอครับครับกับอันนี้สินค้าชื่อว่า For Transfer f o l ์ไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์พนะครับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากประเทศสหรัฐอเมริกาช่วยในการเสริมเพิ่มภูมิคุ้ม ก, กันให้กับร่างกายช่วยให้ภูมิคุ้ม ก, กันฉลาดแล้วก็ทําให้สิ่งผิดปกติต่างๆในร่างกายนั้นสามารถที่จะกลับมาฟื้นคืนดีได้นะครับอ๋อออยมีเรียบร้อยนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยถ้าไม่มีอยอเนี่ยก็สะดุ้งกันใหญ่แล้วอันนี้ผมขายมา9ปีแล้วกับมีอยอยมีเรียบร้อยสบายใจได้เลยนะครับ ครับผลิตภัณฑ์นี้ผลิตจากนมน้ำแรกกับไข่แดงนะครับแล้วก็ผสมกับสมุนไพรจําพวกเห็ดถังเช่าก็อยู่ในนี้นะครับเห็ดชิตะเกะเมตะเกะจากประเทศญี่ปุ่นก็อยู่ในนี้สมุนไพรเหล่านี้ช่วยในการกระตุน้นภูมิคุ้มกันเมื่อรวมกับทานเฟอร์แฟกเตอร์ที่สกัดได้จากนมน้ำแรกกับไข่แดงแล้วนะครับมันสามารถที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ถึง437เปอร์เซ็นเมื่อภูมิคุ้มกันแข็งแรงสุขภาพเราก็จะแข็งแรงตามไปด้วยนะครับโรคภัยที่มีอยู่ ก็จะทุเราเบาหายไปนะครับก็ไม่ใช่ว่าได้เฉพาะมะเร็งนะครับมันได้หลายโรคเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้คือเม็ดเลือดขาวนั่นเองร่างกายเรามีเม็ดเลือดขาว เลือดขาวก็ต้องการหาประสบการณ์หาข้อมูลในการทำงานที่ถูกต้องเพราะว่าเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะมันมีอยู่ตลอดเวลามีเชื้อชนิดใหม่ๆเข้ามาเรื่อยและที่สำคัญนะครับถ้าหากว่าเป็นมะเร็งมะเร็งเนี่ยมันสามารถที่จะหลบเลี่ยงเม็ดเลือดขาวในร่างกายของเราได้การใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จึงช่วยให้ภูมิคุ้มกันฉลาดขึ้นและรู้จักกับมะเร็งมะเร็งก็ไม่สามารถที่จะหลบได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าทุกเม็ดผลิตภัณฑ์ของเรานี้ก็คือการได้ภูมิคุ้มกันใหม่นั่นเองภูมิคุ้มกันเก่ามันไม่ รู้จักมะเร็งแต่ถ้าหากว่าได้รับทานเตอรเฟอร์แฟเตอร์เข้าไปแล้วมันจะรู้จักมะเร็งอ๋อเป็นระยะแรกเลยครับขับก็ยังมีเวลาสู้กับมันอีกนานนะครับไม่อยากผ่าตัดเหรอ การไม่อยากผ่าตัดเนี่ยก็ต้องอยู่ในความการดูแลของหมอนะครับหมอหมอว่ า, าผ่าตัดก็ต้องผ่าตัดตามหมอนั่นแหละแต่ว่าก่อนที่หมอจะผ่าตัดนะ่ะเรามาหาทางเลือกของเราเองก่อนดีกว่าถ้าหากว่าโชคดีเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยสามารถที่จะกำจัดและทำลายเซลล์มะเร็งก้อนเนื้อในร่างกายของเราเนี่ยมันหมดไปก่อนที่จะถึงมือหมอหมอเขาก็ไม่ตัดหมอเขาก็ไม่ผ่าแล้วล่ะครับ กินแล้วจะหายไหมหมอก็ไม่กล้ารับประกันนะครับว่ารักษาคนป่วยแล้วมะเร็งจะหายเอาเป็นว่าผลิตภัณฑ์นี้มันคือเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวสามารถที่จะกำจัดและทำลายเซลล์มะเร็งได้ไม่ว่ามะเร็งจะย้ายไปอยู่ที่ไหนจะเคลื่อนไปอยู่ที่ไหนเม็ดเลือดขาวมันก็สามารถจะตามแล้วก็ไปฆ่าทิ้งได้แต่ว่าคงจะต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะนี่ไม่ใช่ยา เคยได้ยินไหมครับเขาบอกว่าทุกวันนี้มีภูมิคุ้มกันบำบัดนั่นก็คือการใช้เม็ดเลือดขาวในการรักษามะเร็งหลักการของเขาก็คื อ, อดูดเอาเลือดของผู้ป่วยแล้วก็มากรองเอาเม็ดเลือดขาวแล้วก็นําเอาไปเพาะในห้องทดลองจากนั้นก็กระตุ้นเม็ดเลือดขาวที่เพาะเลี้ยงนั้นกระตุ้นให้รู้จักมะเร็งแล้วก็ฉีดกลับไปให้กับผู้ป่วยอันนี้ค่าใช้จ่ายแพงมากๆเลย แต่ว่าผลิตภัณฑ์นี้ก็หลักการคล้ายๆกันนะครับก็คือการที่จะกระตุน้นนั่นก็คือข้อมูลทางการทํางานที่ถูกต้องเนี่ยในอยู่ในทางสเติร์ฟแกเตอร์เนี่ยก็จะไปกระตุน้นภูมิคุ้มกันภายในร่างกายเลยเมื่อภูมิคุ้มกันมีข้อมูลต้องการทํางานหมันก็จะลุกขึ้นมาสู้ไม่ต้องเจ็บตัวด้วยที่สําคัญราคาถูกกว่ากันเยอะเลยนะครับ ใช้เวลามากหรือน้อยนะครับของการรักษาเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่ตัวของผู้ป่วยเป็นส่วนมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้มีหน้าที่ในการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะทำให้ ร่างกายแข็งแรงได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ร่างกายจะแข็งแรงหรือว่าฟื้นฟูซ่อมแซมตัวเองได้นะ่ะร่างกายจะต้องได้รับสารอาหารจากการรับประทานอาหารหลักตามหลักโภชนาการนี้แหละนะครับานอาหารที่มีประโยชน์ออกําลังกายพอสมควรพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมด้วยช่วยกันไปคงจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ต้องทําใจนะครับคือผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกทางเลือกที่จะทําให้คุณมีโอกาสได้สู้กับมะเร็งบ้างไม่ใช่ว่าปล่อยให้มะเร็งทําลายเราอย่างเดียว ครับอ๋อผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ของคนไทยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผลิตแล้วก็นําเข้าขวาที่จะนําเข้ามาได้เนี่ยก็ต้องผ่านอยอยก่อน เ, อเทคโนโลยีของอเมริกาก็เชื่อถือได้อยู่แล้วนะครับอ๋ อ, อการรับประทานเลยครับก็ทานก่อนอาหารนะครับรักษามะเร็งนี่ก็ทานเป็นสามเท่าของคนปกตินะครับ คือคนปกตินี่จะทานอยู่เดือนละหนึ่งขวดเช้าเม็ดเที่ยงเม็ดเย็นเม็ดก่อนอาหารหนึชั่วโมงส่วนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งนี่ก็จะเริ่มตั้งแต่สามเม็ดเช้าสามเที่ยงสามเย็นสามก่อนอาหารหรือเวลาตอนท้องว่างนั่นเองนะครับราคาใช่ไหมครับครับราคาเนี่ยขวดหนึ่งสำหรับผู้ที่เอาไปบํารุงสุขภาพร่างกายก็สองพันห้าร้เจ็ดิห้าบาทรวมค่าส่ง นะครับส่วนผู้ที่ต้องการจะใช้ชุดโปรโมชั่นนะครับเช่นผู้ที่ป่วยนี่แหละก็3าขวด 5,9 าพันเกนะครับสขวด 5,9 าพก็เหมือนซื้อ2แล้วแถมหนึ่งนั่นแหละครับครับผมครับต้องการซื้อก็ซื้อได้ที่ผมนี่แหละครับอ่าซื้อได้ที่ผมนี่แหละอ่าก็ส่งทั่วประเทศนะครับครับผมครับครอ่าแล้วสะดวกที่จะโอนเงินไหมครับ อ๋อเก็บเงินไปทางโอเคครับงั้นส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาทางไลน์นี่แหละนะครับเดี๋ยวผมก็จะจัดการให้รอดสินค้าวันนี้วันพุธพรุ่งนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวก็ไปจ่ายตังค์กับเจ้าหน้าที่ที่ไปส่งแล้วกันนะครับครับเขาส่งถึงบ้านนะครับแล้วก็เขาจะโทรหาก่อนที่จะถึงว่าอยู่ที่ไหนยังไงจะให้เข้าไปส่งยังไงก็บอกเขานะครับครับผมครับครับได้ครับรอรับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการส่งให้เลยนะครับผมครับสวัสดีครับ